เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สองวันที่ยี่สิบแปดฝันคืนนี้ฉันฝันว่าเจ้านายเรียกไปพบและกล่าวตำหนิฉันอย่างรุนแรงในเรื่องต่างๆพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับคู่แข่งบอกทานองว่าดูสิผมไม่เคยเห็นคุณเจ๋งได้เท่าเขาสักเรื่องในฝันฉันเป็นทุกข์สาหัสอกใจเข้นเครียดก้มหน้าเหมือนหายใจไม่ออกพยายามตั้งสติรู้ลม ก็เหมือนฝืดฝืนคล้ายโดนกระสอบสายยันหน้าอกกดหลังติด ก, กับพนักพิงอย่างไรอย่างนั้นแต่แล้วในที่สุดฉันก็ทุบโต๊ะปังทะลึงยืนพรวดและประกาศกล้องว่าฉันขอลาออกและเดินออกจากออฟฟิศไม่เหลียวหลังช่างเป็นภาวะที่ปลอดโปรง่งอากาศนอกออฟฟิศ ส, สดชื่นลมหายใจสะอาดและนุ่มลึกเต็มปอดที่ขยายออกจนสุด อากาศรอบด้านชุ่มฉ่าเย็นสบายเหลือหลายเห่อยหน้ามองท้องฟ้าก็เห็นเป็นสีครามประกายมุกสวยสดไม่มีสิ่งใดเทียบมาก่อนรอบด้านคล้ายยิ้มเท่ากับริมฝี ป, ปากที่เหยียดกว้างขวางของฉันไม่มีวันใดในช่วงแห่งความรับแค้นใจที่รู้สึกเบิกบานได้เท่านี้เลยตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นถ้าเป็นคนอื่น นี่คงเป็นฝันผ่านช่วข้ามคืนที่เหลวไหลไร้สาระไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่มีอะไรน่าใคร่ควรวญพิจารณาแต่เพราะฉันเคยพบอสุภเทระคาถาว่าด้วยสุภาษิตเกี่ยวกับความฝันของพระเทระชื่ออสุภก็เห็นว่าความฝันเป็นสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาคิดมาเจริญปัญญาให้บรรลุธรรมได้ พระอสุภะท่านฝันว่าได้ห่มจีวรสีอ่อนช่เวียงบานั่งบนคอช้างเข้าไปบินขบาดยังหมู่บ้านพอเข้าไปก็ถูกมหาชนพากันมารุมมุงดูอยู่จึงลงจากคอช้างแล้วค่อยกลับสติลืมตาตื่นขึ้นพิจารณาด้วยความสลดใจว่าในฝันนั้นท่านไม่มีสติสัมปชัญญะ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 ก็เพียงฉากแวดล้อมของเครื่องจองจำเท่านั้น